ก็มีมีนกบางต้นเนี่ยนะปกติเคยเจาะแต่ไม้เคร่อไม้ที่อ่อนๆ น, นะนะลำต้นอ่อนๆเช่นพวกมะเดื่อพวกอะไรพอเจาะมันก็เข้าใช่ไหมพอไปเจ า, เาะเรียว่านกหัวขวานถ้าไปเจาะไม้แก่นจะเป็นยังไงเพราะมันจะหัวขวานหัวอะไรก็ทั่งเล็บจะงอยปากเนี่ยหมดแน่ขนาดขวานเนี่ยนะ ขวานเนี่ยถ้าไม่ขวานชั้นดีจริงๆเนี่ยฟันก็ไปเนี่ยบินหมดนะต้นบางต้นเนี่ยเช่นต้นตะเคียนเป็นต้นที่มันเป็นประเภทไม้ตายซากเลยแล้วยิ่งแข็งแกร่งมากเลยนะนะพวกนกทั้งหลายเนี่ยโอ้จะงอยปากเนี่ยหมดแหละว่างั้นนะฉันใดอ่าศาสตราการนิครนก็เหมือนกันจะงอยปากคือยานมีนี้เดี่ยวเจาะเข้าไปที่สัพพันยุตยานก็เลยหมดสภาพคอตกก้มหน้าซบเซาเนี่ยนะเงือ่ท่วมเลยนะเสร็จแล้วพระองค์เนี่ย ส่วนร่างกายของพระองค์ก็เปิดนะไม่มีเหงื่อเลยบทว่าสุวรรณวันนังกายังวิระวิพระพุทธเจ้าปกติเนี่ยไม่ตอนที่พระองค์นั่งเปิดให้ดูว่าไม่มีเหงื่ออยู่นะไม่ใช่ว่าเปิดทั้งร่างกายธรรมดาปกติแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสำรวมระวังมากเลยนะเป็นคนที่สังวรแล้วก็ติดรังดุมพระองค์เนี่ยปิดพระกายทั้งหมดและแสดงธรรม ครั้งนั้นพระองค์เนี่ยจับจีวรที่ตรงหน้าตรงหลุมคอนี่ให้หย่อนลงไปสีนิ้วเนี่ยนะแต่ขอลงไปลงลึกไปสี่นิ้วเพื่อให้ดูว่าไม่มีเงื่อนมีรัศมีสีทองออกเป็นกลุ่มซ่านออกเหมือนรถธาราทองแดงที่ไหลออกจากหม้อทองแดงเหมือนสายฟ้าแลบออกจากเวลาหกสีแดงกระทำจีวรมหาขันคือขันใหญ่เนี่ยนะเช่นกับกลองทองให้เป็นประทักษินแล่นไปในอากาศ ถามว่าพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงกระทําอย่างนั้นคือเอาเอาลดผ้าลงเนี่ยนะลงลึกลงไป4นิ้วเนี่ยนะเพื่อให้เห็นเหมือนก็นเรียกว่าถ้าเห็นช่วงช่วงอกหมดเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะบรรเทาความสงสัยของมหาชนเพราะมหาชนสงสัยว่าพระสมณะโคดมพูดว่าเหงื่อเราไม่มีเหงื่อของสัจจการนิครนไหลอ ย, อยู่ตลอดเหมือนเหงื่อของคนขึ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะมันเหมือนกับคนเข้าเตาอบอวนันเถอะ ของพระสมนคโคดมนั่งห่มผ้าจีวรหนานะใครจะรู้ว่าข้างในมีเงือหรือไม่มีเงือพระองค์ก็เลยเปิดผ้าเพื่อกําจัดความสงสัยเนี่ยนะก็ไม่ได้เปิดทั้งตัวอะไรเรา ก, ก็เปิดเฉพาะตรงหลุมคอให้ดูว่าไม่ใช่แมซ่อนเงือที่หน้าผากกันต้นน่ยไม่ใช่นะไม่มีเงือรอกนี่นะทีนี้สรุปว่าสัจการนิโครนเนี่ยหมดหมดแล้วใช่ไหมกอกคอตกเกอร์เขินแต่วิสัยนักสู้เนี่ยถึงจะเงียบก็เงียบอะไรนะเงียบรอโอกาสนะั่นแหละนะนะ ข้อสี่ร้หน้าปดสามกล่าวว่าเจ้าทุมมุขะฤชวีทุมมุขะเนี่แปลว่าเป็นเจ้าฤชวีรูปหล่อคนหนึ่ง น, นะรูปร่างสวยงามก็เลยชื่อว่าทุมมุขโขเนี่ยนะธุมมุขะฤชวีเจ้าทุมมุขะฤชวีเนี่ยรู้แล้วว่าสัจกะมิครนเนี่ยเก้อเขินคอตกก้มหน้างอยงเงาไม่มีปฏิพันธ์คิดที่จะโต้เถียงก็เลยทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอุปมาย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าอุปมาจงแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิดทุมมุขะอย่างนี้เอ เ, อนะเจ้าทุมมุขะก็กล่าวว่าเปรียบเหมือนในที่ใกล้แห่งบ้านหรือนิคมมีสะบกครณีอยู่สระหนึ่งในสระนั้นนะมีปูอยู่ตัวหนึ่งเด็กชายเด็กหญิงเป็นอันมากออกจากบ้านหรือนิคมไปถึงสะบกครณีนั้นแล้วก็ลงจับปูนั้นขึ้นมาวางไว้บนบกปูนั้นน้อมก้ามไปทางไหนก้ามปูนะ เด็กเหล่านั้นก็จะคอยเอาไม้เนี่ยต่อยเข้าไปที่ก้ามปูด้วยท่อนไม้หรือกระเบื้องมันยกก้ามซ้ายเข้ามาก็หวดพักเข้าไปหักปูนั้นมีก้ามหักหมดแล้วเน่ยจะใช้จะใช้ขาเดินก็ตีขาอีกเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงขาก็หักหมดก้ามก็หักหมดไม่สามารถจะลงสู่สระบกกรณีได้อีกเหมือนอย่างแต่ก่อนข้อ น, นี้ฉันใดทิฐิที่เป็นเสี้ยนน้ํารกชัดปกคลุม ยักไปยักมาริ้นไปดิ้นมาไม่อยู่กระร่องกะระลอยบางอย่างบางอย่างของสัจจการนิครนบัตรนี้รองหักหมดแล้วเนี่ยนะเหมือนหักก้านปูเนี่ยนะแสดงว่าเจ้าธ ม, มมุขขมันไส้สัจจกานิสักจา ก, กจารนิครนมานานแล้วไอความเห็นไม่อยู่กระร่องกะระลอยนอกรีดนอกรอยไหมถูกเขาตีหักอย่างนี้บ้างไหถูกใจมากเลยนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปสัจการนิครนก็จะไม่อาจเข้ามาใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประสงค์จะโต้อตอบได้อีกชั้นนั้น เมื่อเจ้าทุมมุขะลิชวีกล่าวอย่างนี้สัจจการนิครนก็พูดว่าท่านทุมมุขะยุทเธอท่านทุมมุขายุเธอท่านเป็นคนปากมากนะักนะ น, นะถือโอกาสนะ น, นะคือสัจจการนิครนเนี่ยพอเจ้าทุมมุขะพูดอย่างนี้เขาเลียวซ้ายเลี้ยวขวาทุกคนเนี่ยกำลังจะโกงคอพูดหมดนะเอ้ยงานเนี่อรับเล่เน่ปกติเนี่ยหลายหลายคนเขาอากขาดไปแล้วใช่ไหมหาทางเอาคืนให้ได้สักวันหนึ่งโอกาสเนี่ยเขามีเชื้อเจ้าหลายคนเนี่ยต้องการจะเล่นงานเพราะฉะนั้น สัจจการนิครนก็เลยถือโอกาสปิดปากถมมุขะฤิชวีคนเดียวข้าพเจ้าไม่ได้พูดปรึกษาหารือกับท่านนะไม่ได้ให้ไม่ได้ถามไม่ได้ให้ออกความเห็นเนี่ยมาออกความเห็นทาไมเหมือนกันนะนะข้าพเจ้าพูดหารือกับพระโคโดมต่างหากไม่ได้คุยกับท่านครั้งนั้นแล้วก็ได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าพระโคโดมวาจาของข้าพเจ้าและของพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นจงยกเสียเถิดเพราะเป็นแต่เครื่องพูดเพอ้อ ก็พูดเพอ้อไปแล้วเท่านั้นแหละเนี่ยนะก็เหมือนกับลมที่แผ่ออกมาทางปากพูดเพ้อเอ เ, อเลื่อนเลื่อนอยๆเป็นสาระแก่นสารไม่ได้หรอกนะที่จริงเนี่ยก็ต้องการเบนประเด็นออกไปไม่อย่างนั้นนั้นแหละนที่ไหนได้นะก็ชั้นเชิงกันแหละข้อ401เนี่ยนะต่อไปว่าส่วนสาวกของพระโคดมเป็นคำถามในเสขะปัญหาคำถามของพระข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระเสขะว่า สาวกของพระโคโดมเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่าใดชื่อว่าเป็นผู้ทําตามปฏิบัติทำตามคําสอนโอวาทเรียกว่าประพฤติปฏิบัติตามคําสอนข้ามความสงสัยเสียได้ปราศจากความเคลือบแคลงใจที่เป็นเหตุให้กล่าวว่าข้อนี้อย่างไรสาวกของท่านที่ปฏิบัติตามแล้วถึงความแกล้วกล้าปราศจากความคลั่งความคลั่นคล้ำไม่ต้องเชื่อแต่ผู้อื่น ในคำสอนของภาษาสดาของตนอยู่ได้คือสงสัยจริงๆ่าสาวกของท่านน่ะท่านสอนยังไงสาวกของท่านหมดความสงสัยท่านสอนยังไงหรือด้วยข้อปฏิบัติเขามีเหตุเป็นข้อปฏิบัติยังไงเขาจึงไม่สงสัยเขาจึงมีศรัทธาอย่างก ล, กล้าเขาปฏิบัติยังไงเขาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ตรัสว่าใช่อัิเวสณะสาวกของเราในศาสนานี้พิจารณาเห็นเบญจขัน์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ว่ารูปอย่างใดอย่างหนงึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่เป็นรูปรูปทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เวทนา เ, าเราเหาใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะสัญญาเราอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้สัญญาทั้งหมดนั้นก็เป็นแต่สัญญาไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปัสนาไม่ใช่เราด้วย อ, น, นะอ น, นัตอานิจจานุปัสสนาไม่ใช่อัตตาของเราตามเห็นอย่างนั้นด้วยอ น, นัตตานุปาาัสสนาแล้วก็พิจารณาสัญญาและสังขารวิญญาณเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคต ป, า ít, ปัจจุบันทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราด้วยทุกขานุปาาัสสนาตามเห็นทั้งหมดนั้นไม่ใช่เป็นเราด้วยอา น, นิจจานุปาาัสสนาตามเห็นทั้งหมดนั้นไม่ใช่อัตตาของเราด้วย อนัตตานุปัสนาด้วยเหตุที่ตามเห็นขันห้าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดเลวประณิดไกลหรือใกล้ทั้งหมดว่าไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเขาปฏิบัติอย่างนี้แหละอคีเวสนะสาวกของเราชื่อว่าเป็นผู้ทําตามคําสอนอ น, นะ คือการตามเห็นขันห้าทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้ด้วยความเป็นอนิจจ์ตามเห็นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นทุกข์ตามเห็นโดยความเป็นอนาัตตานั่นแหละชื่อว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้ากระทําตามโอวาทข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงใจที่เป็นเหตุให้กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างไร ถึงความแกล้งกล้าปราศจากความั่นครามไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาของตนอยู่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีขันเหล่าใดทั้งที่เป็นอดีตอดีตเหล่าใดที่จะตามเห็นอดีตทั้งภายในหรืออดีตภายนอกก็ตามที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่น อัตตาของเราขันเราใดเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในหรือภายนอกในอนาคตที่จะตามเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราในปัจจุบันนี้ไม่เห็นแม้แต่ขันเดียวที่จะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่เห็นขันภายในอันใดอันหนึ่งเลยที่จะตามเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราหรือขันภายนอก แม้แต่ขันเดียวที่จัดเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราจะหยาบจะละเอียดจะซามจะประณี จ, จะอยู่ไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราความที่เขาปฏิบัติอย่างนี้แหละชื่อว่าเขาตามทามําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อคนอื่นในเรื่องการปฏิบัติในในาศาสนาของพระาศาสดาเพราะฉะนั้นไม่ต้อง สงสัยอีกแล้วในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันนี้เขาเห็นเลยใช่ขันห้าในอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยาบละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้ไม่เป็นสาระแก่นสารแม้แต่อันเดียวแต่เขาถือความเห็นตามเห็นว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นแหละว่ามีสาระเขาถือปัญญาที่พิจารณานัน่นแหละว่าเป็นสาระถือสัมมาทิฏฐิตามเห็นแบบนั้นเนี่ยนะ ป็นสัจจานุโลมมิจยานเป็นวิปาาัสนาญาณปัญญาที่ตามรู้ตามเห็นตามเครื่องครวญตามพิจารณานั่นแหละเป็นสาระเนี่ยนะก็เจริญปัญญาอนั้นปัญญาเหล่าใดที่พิจารณารูปโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นปัญญาอ น, นั้นชื่อว่ากายานุปัสนาปัญญาเหล่าใดที่พิจารณาเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเวปัญญานั้นชื่อว่าเวทนานุปัสนาปัญญาเหล่าใดที่ตามพิจารณาเห็นวิญญาณ คือจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอันนั้นก็ชื่อว่าจิตตานุปัสสนาบัญญาเราใดที่ตามเห็นสัญญาสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นธรรมโนปัสสนาสติปฐานสี่อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยนะอันนั้นอนุปัสสนานั่นแหละเป็นสัมมาทิฐิสติที่เกิดร่วมกับวิปัสสนาชื่อว่า สติปทานเนี่ยนะก็เจริญสติอันนี้เนี่ยนะเรียกว่าเจริญสติสัมโพชฌงเพราะเจริญเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยนะก็ทําด้วยปีติปสัสสธิสมาธิและอุเบกขาเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเข้าปฏิบัติตามนี้ได้ก็ไม่ต้องเชื่อคนอื่นในเรื่องคําสอนอีกแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเข้าใจคําสอนเข้าใจความเป็นจริงของขันห้าเข้าใจวิธีปฏิบัติเพื่อ กำหนดรู้ขันห้าเพื่อตัดฉันราคะในขันห้าตรัสรู้รู้ธรรม ท, ที่ดับขันห้าเข้าใจวิธีปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในขันห้าจะต้องเชื่อผู้อื่นอีกไหมในประเด็นทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะนี่เขา้ารจชการนิครนเนี่ยเขาก็ฉลาดะนะพอถามเสกขปัญหาจบก็ถามอาจเสขะปัญหาถามเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของพระอรหันต์บ้าง คือจริงๆแล้วเขาก็คือเขาจริงๆเขากค็คนเก่งคนฉลาดอะนะเพียงแต่ว่ามันแม้มันขีน้โมโ้ไปหน่อยเนี่ยนะขี้โมโ้ไปหน่อยก็เลยลำบากต่อไปสัจการนิครนก็ถามต่อไปอีกว่าด้วยเหตุเพียงเท่าใดพระโคโดมภิกษุเชื่อว่าเป็นพาาระอรหันต์คำถามระดับสูงเลยนะมันเขาทำยังไงเขาจึงเป็นพระอรหนันต์อะนะสิ้นอาสวะอยู่จบพรหมจรรย์นในาศาสนานี้ มีกิจที่จําจะต้องทําทําเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วถึงประโยชน์ตนคืออรหันตผลมีสังโยชน์ที่นําไปสู่พบใหม่เนี่ยนะสิ้นแล้วเขาหลุดพ้นพราะรู้ได้ชอบได้อย่างไรคือรู้ชอบจึงหลุดพ้นอ่ะเขาทําได้อย่างไรก็แปลว่าข้อปฏิบัติให้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เขาทํำยังไงเขาจึงเป็นพระอรหันต์คำถามน่าสนใจนะเหตุคือคือเหตุในหมายาว่าข้อปฏิบัติหรือมรรคหรือข้อปฏิบัติเนี่ยนะ เขาปฏิบัติยังไงเขาจึงเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่สิ้นกา ม, มาสวะภวาสวะวิชาสวะอยู่จบอริยมรรคพรหมจรรย์โสดาปติมัคส ก, ากาธาคามีมรรคอนาคามีมรรคก็อยู่จบแล้วกิจณนะกิจเพื่อการกําหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคที่จะต้องทําระดับโสดาปติมัคส ก, ากาธาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคก็เสร็จแล้วปลงภาระคือขันเนี่ยนะ ปร่งขันในอบายทุกขติวินิบาตนรกโปรงขันในการมาพบรูปประพบอรูปประพบตัดขันพระภาระทิ้งได้แล้วบรรลุถึงประโยชน์ของตนคืออรหัตผลสิ้นสังโยตที่นำไปสู่พบใหม่แล้วและหลุดพ้นพารู้โดยชอบรู้ว่า นี้เป็นอภินญญยธรรมนี้เป็นปรินญาญาธรรมนี้เป็นปหาตัปรธรรมนี้เป็นสัจิกาตัปรธรรมนี้เป็นพาเวตปรธรรมเขารู้ชอบอย่างี้เขาจึงหลุดพะนะ้นอ่ะเขาปฏิบัติยังไงจึงจะมีคุณสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นนะแสดงว่าสัจจการนิครนเข้าใจภาวะของพาาระอรหันต์ว่าไอ้พาาระอรหันต์เป็นยังไงแสดงว่าพอจะเข้าใจ พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าอาคิเวสณะภิกษุในศาสนานี้พิจารณาเห็นขันท่านั้นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างไรดังนี้แล้วจึงหลุดพ้นจากการมาสะวะผวาสะวะทิฏฐาสะวะไม่ถือมั่นด้วยทิฏฐุปาทานกามุปาทานอัตวาทุปาทานเนี่ยนะด้วยเหตุเท่านี้แหละอคิเวสณะภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นพระอรหันต์อยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ต้องทําทําเสร็จแล้วปรองภาระได้แล้วบรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้วมีสังโยชนอันจะนําไปเกิดในภพใหม่สิ้นแล้วรู้หลุดพ้นเ พ, พ, พ, พราะรู้โดยชอบได้แล้วนะใช้คําง่ายๆพิจารณาขันห้าแล้วพ้นจากตามมาสะวะพิจารณาขันห้าแล้วพ้นจากอุปาทานคิดง่ายๆว่าวพิจารณาอย่างไงจึงพ้นจากอาสะวะเอา ปกติกามาสวะติดในอะไรในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคิดยังไงจึงพ้นจากกามาสวะคิดยังไงจึงพ้นจากทิฏฐสวะในขันห้าพิจารณาอย่างไรจึงพ้นจากอวิชชาสวะในขันห้าคิดยังไงจึงจะไม่ถือขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นอัตตาของเราพิจารณาอย่างไรไม่ถือว่าขันห้าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและเป็นอัตตาถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้ ท่านบอกง่ายมากเลยนะทาําตามยากยากนะไม่เชื่อของหายด้วยต้องตัดใจด้วยนะเคยของหายไหมมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนหาแล้วหาแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ก็เชื่อว่ามันไม่ใช่ของเราแต่อยากเจออย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยสังเกตดูจากของหายหากระเป๋าสตางค์ไม่เจอเลยเนี่ยนะเครื่องประดับวางฉันว่าวางไว้ตรงนี้นะเนี่ยนะแหมจะบอกว่าไม่ใช่ของเรามันพูดยากยากงเรื่องนะ เคยสตังหายวิ่งหาไปวางไว้นั่นหรือเปล่าเอ๊วางไว้นี่หรือเปล่าวางไว้น่นหรือเปล่าเนี่ยคิดหาจนหัวใจปั่นป่วนหมดเลยนะพอหาทุกจุดไนดะ้ไม่ได้เออไม่ใช่ของเราเนี่ยนะที่นายได้ปลอบใจตัวเองอ่ะนะหาจนเนี่ยนะ